แก้โรคระบาดทางวิญญาณเราอยู่ในยุคที่สังคมมนุษย์สรรื่อสารกันแบบไร้พรมแดนไม่จำเป็นต้องรู้จักกันก็คุยกันได้ให้คุณให้โทษกันได้ทำเงินทําทองให้กันได้ในชีวิตจริงอาศัยสิ่งที่เรียกกันว่าโซเชียลมีเดียบนอินเทอร์เน็ตเป็นหลักทุกสังคมทุกยุคทุกสมัย ล้วนมีโรคระบาด ท, ทางวิญญาณแพร่กระจายอยู่กล่าวคือเมื่อมีเชื้อความคิดร้ายๆหรือพฤติกรรมร้ายๆปรากฏขึ้นมาถ้าโดนใจมากพอคนกลุ่มหนึ่งจะเกิดอาการติดเชื้ออย่างง่ายดายเชื้อร้ายบางอย่างดูเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาแพร่กระจายแล้วรับการสืบท อ, อดกันทั่วไป ต่อเมื่อผลลัพธ์ของเชื้อร้ายลุกลามกัดกินสมองทำลายระบบวิธีคิดตามสามัญสำนึกก่อการสะเทือนขวัญหรือทำเรื่องน่าหเระสมเพศขึ้นมาผู้คนถึงค่อยเริ่มรู้สึกว่าเชื้อร้ายพันนั้นไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาอีกต่อไปตัวอย่างเช่นที่ผ่านมามีการแชร์เรื่องมนุษย์ลุง ม, มนุษย์ป้ากันให้วนโดยมองว่าเป็นเรื่องน่าขำ ที่เห็นคนสามัญสานึกพินาศถ่ายคลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างตนกับคนอื่นไว้โดยกะประจานคนอื่นเพราะเมื่อวินิจฉัยด้วยความอารมณ์พานของตนแล้วเห็นว่าคนอื่นน่าจะโดนคนในโซเชียลมีเดียรุมประนามเป็นแน่แต่การกลับกลายเป็นดึงดูดมหาชนให้แห่แหนมาประนามตนเองแทนไปซะพูดง่ายๆว่าคลิปที่ถ่ายมานั้น อันที่จริงควรเป็นศัตรูหรือคู่อาฆาตจัดฉากเตรียมเว็บแบล็คเมล์รีดค่าถ่ายคลิปตัวเองต้องพยายามจ่ายค่าถ่ายเอามาเก็บซ่อนไว้หรือทำลายทิ้งแต่ด้วยความที่สามัญสำนึกพินาศเลยกลายเป็นเอาออกมาแชร์ตัวเองทำลายหน้าตาและชื่อเสียงตัวเองปนปี้บี้แบนไปแทนเสียอย่างนั้น เรื่องพันนี้คนส่วนใหญ่มองเป็นเรื่องน่าละอายเฉพาะบุคคลแต่หากพี่นิดให้ดีนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยของสังคมโดยรวมก็ได้จริงๆแล้วมนุษย์ลุงกับมนุษย์ป้าประเภทเห็นกงจากเป็นดอกบัวนั้นมีมานานตัวเองทําผิดกฎผิดกติกาสังคมแต่ยังอุตสาห์ไปอาละวาดอวดอารมณ์ถอยเถื่อนเอากับเจ้าหน้าที่ที่เขามาควบคุมจัดการ ไม่ว่าจะกี่พันกี่ร้อยกี่สิบปีที่ผ่านมาในนามคนบ้าอำนาจชอบอวดเบ่งอวดปมเขื่องที่ไม่มีจริงเพื่อลดปมด้อยที่คาใจอยู่จริงๆกล่าวได้ว่าในส่วนลึกที่สุดของคนส่วนใหญ่ต่างก็แฝงอัตตาโตโตเพี้ยนเพียนชนิดนี้อยู่เพียงแต่สมันสํานึกดีๆกดไว้ ถ้าว่าสามัญสำนึกดีๆอาจถูกกัดกร่อนทีละน้อยเมื่อพวกเราอยู่ในยุครุมประชาทันกันด้วยคพูดผ่านเนเ็ตทุกคนเห็นกับตาหรือบางคนเจอกับตัวว่าโซเชียลมีเดียทรงอิทธิพลเพียงใดเมื่อมีคดีมากมายที่ผู้ร้ายถูกลากไส้จนหมดพุงนอนตายงายเก่งทหารตำรวจยศสูงถูกถอดถอนเสียใหญ่หมดเนื้อหมดตัว ดาราดังเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่ว่าบริษัทยักษ์ระดับประเทศคนสำคัญทางการเมืองระดับโลกต่างก็เหมือนอยู่ในอุ้งมือหรืออุ้งเท้าของโซเชียลมีเดียราวกับโซเชียลมีเดียอาจแปลงร่างเป็นสารเตีย้ยหรือเป็นรัฐธรรมนูญสูงสุดของโลกที่อยู่เหนือหัวทุกคนได้ทุกเมื่อคมด้านดีคือคนผิดอยู่ยากขึ้น ส่วนคมด้านร้ายคือคนหลงผิดกันโดยไม่รู้ตัวง่ายขึ้นเรารู้จริงๆรู้ว่าที่ดนดนรุมปาอิดจนตายนั้นมีใครบ้างผิดจริงมีใครบ้างถูกป้ายสีให้ผิดที่สำคัญคือถ้าเคยมีส่วนรุมประชาทินคนอื่นสำเร็จคนเรามาเกิดอัตตาโตโตขึ้นมาว่ากูชนะกูอยู่ฝ่ายถูกหรือกระทั่ง กูมีพวกหนุนหลังกูมีอำนาจบารมีล้นฟ้าธรรมดามนุษย์เราเมื่อมีอำนาจจะอยากใช้อำนาจพออัตตาเบ่งบานขึ้นมาบนเส้นทางอัตตาใหญ่ๆเวลาไม่พอใจใครขึ้นมาก็นึกอยากใช้อำนาจที่มีซึ่งก็อย่างที่มนุษย์ลงมนุษย์ป้าเคยทำทำกันและสันนิษฐานว่าน่าจะทำทำกันอีก คลิปมนุษย์ลงมนุษย์ป้าที่ประจานตัวเองในช่วงที่ผ่านมาอาจทําให้มนุษย์ลงมนุษย์ป้าอีกหลายรายรู้สึกแย่งแยงเพราะเห็นเป็นเยี่ยงอย่างว่าถ้าตัวเองทําเรื่องค้านความรู้สึกสังคมนอกจากจะไม่ได้รับการอุ้มชูยังดูเหมือนจะต้องเสียหายไปถึงชื่อเสียงวงตระกูลอีกด้วยแต่พัฒนาการขั้นต่อไปเนี่ยไม่แน่เพราะพอได้รับบทเรียนทางสังคมนั้นหลายครั้ง เอาพันมนุษย์ลุง ม, มนุษย์ป้าอาจฉลาดในการนำเสนอมากขึ้นรู้จักจิตวิทยามวลชนมากขึ้นมีชั้นเชิงในทางรบกันด้วยสื่อมากขึ้นแบบเดียวกับนักการเมืองที่มุ่งหาคะแนนเสียงหรือศรัทธามหาชนสามารถกลับถูกเป็นผิดกลับผิดเป็นถูกเปลี่ยนขาวเป็นดำเปลี่ยนดาเป็นขาวรู้ว่าจะวาดภาพอีกฝ่ายอย่างไรให้เหมือนปีศาจ รู้ว่าตนจะต้องปั้นท่าทำเสียงแบบไหนให้เหมือนเทวดานางฟ้านั่นแหละถึงยุคที่น่ากลัวกันจริงๆเราจะไม่มีทางรู้ว่าใครผิดใครถูกใครควรได้รับการเห็นใจใครสมควรถูกกระทืบซ้ำด้วยความสมน้ำหน้ากันแน่ประเด็นสำคัญคือคนปกติอย่างเราๆท่านๆ ท, ที่เชื่อว่าการติดโรคมนุษย์ลงมนุษย์ป้า นับเป็นอัปมงคลยิ่งจะต้องระวังตัวกันอย่างไรไม่ให้จับพลัดจับหลูลงไปเป็นมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าก่อบาปก่อกรรมเป็นที่เดือดร้อนตนเดือดร้อนท่านกันเสียเองคําตอบคือระวังตัวไว้อย่านิยมนัดธิพวกมากลากไปอยู่ห่างๆกระทูช้ชวนกระทึก ข, ข้อผิดของฝ่ายตรงข้ามเอามัน อย่าคลุกคลีกับพวกชอบเสียมให้เห็นแต่ด้านเลวของศัตรูเพราะเมื่อใดที่คุณหลงสะใจที่เห็นคนโดนรุมกระหน่ำด่าแบบไม่ต้องสนใจที่มาที่ไปไม่ต้องขอใบเสร็จหลักฐานเมื่อนั้นคุณเริ่มรับเชื้อร้ายระบาดเข้าสู่จิตวิญญาณแล้วและไม่รู้ว่าจะเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องลุกลามได้มากเพียงใด โซเชียลมีเดียมาเพื่ออยู่อีกยาวๆนั่นหมายความว่าพวกเรามีเวลาเลือกสะสมกรรมทางโซเชียลมีเดียอีกยาวๆเช่นกันนอกจากที่แฝงอยู่ในโซเชียลมีเดียยังมีเชื้อร้ายทางวิญญาณชนิดอื่นอยู่อีกเช่นในภาพยนตร์และละครที่สร้างความชอบทําให้พระเอกหรือนางเอกอละวาททำร้ายคนทำลายเข้าของ และน้ำวันจะจำแนกยากขึ้นเรื่อยๆว่าระหว่างพระเอกนางเอกกับโจรแตกต่างกันตรงไหนเพราะสมัยนี้เน้นเอาดาราหน้าตาดีมาเป็นแม่เหล็กดึงดูดไม่ว่าจะบทดีหรือบทร้ายก็ใช้คนดูดีกันเป็นหลักทั้งนั้นดูเพลินๆเหมือนไม่น่าจะมีอะไรแต่ข้อเท็จจริงก็คือ เมื่อคุณชอบคนที่มีบุคลิกลักษณะเช่นไรแนวโน้มคือคุณจะอยากเรียนแบบตามนั้นหากบทบาทในละครเป็นไปในทางสร้างสารรค์ก็ดีแน่แต่หากเป็นไปในทางทำลายเหวี่ยงวีนอลวาดก็เท่ากับแพร่เชือโรคทางวิญญาณเข้าสู่ตัวง่ายๆแล้วแค่รับชมโทรทัศน์อยู่ที่บ้านเท่านั้นเอง การได้รับแรงกระตุ้นให้ราคะและโทสะผิดๆกำเริบอยู่ในใจก็คือการรับเชื้อนรกเข้ามาในชีวิตถ้าเห็นโทษของเชือ้อและสามารถฆ่าเชื้อโรคทางวิญญาณได้ก็ถือว่าเป็นการเสพความบันเทิงเอาสนุกหลบหนีโลกความเป็นจริงไปอยู่ในโลกความฝันชั่วคราวปล่อยให้เชื้อโรคบางตัวผ่านมาแต่ไม่ปล่อยให้อยู่ต่อ แต่หากไร้ภูมิคุ้มกันค่าเชื้อโรคที่มาจากหนังและละครไม่ได้ปล่อยให้ผ่านมาและปล่อยให้อยู่ต่ออันนี้แหละต้นต่อของข่าวหน้าหนึ่งที่คาดไม่ถึงหลายข่าวสายเกินไปที่เราจะพูดเรื่องหยุดหนังหยุดละครแต่ยังเป็นไปได้เสมอที่คุณจะเลือกเสพและไม่มองเป็นเรื่องเล็กจุดสังเกตง่าย คือดูว่าตัวเองชอบดาราคนไหนเป็นพิเศษดูแล้วอินดูแล้วเกิดภาพในหัววิ่งวนซ้ำไปซ้ำมาถ้าเห็นเรื่องไหนเขาแสดงบทบาทดีๆก็ดูได้แต่ถ้ารู้ล่วงหน้าว่าจะแสดงบทไม่ดีนักก็ช่างใจหน่อยว่าคุ้มหรือไม่กับการรับเชื้อโรคทางวิญญาณเข้ามานอกจากนั้นควรสังเกตให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยว่า การติดตามละครเรื่องโปรดมีผลผูกพันทางใจมากกว่าภาพยนตร์ที่มีความยาวเพียงชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงสำรวจใจดูจะรู้ว่าการบริโภคความบันเทิงในลักษณะสเสษติดต่อเนื่องมีผลมากกว่าดูสั้นๆแล้วจบเป็นเรื่องๆไม่ต้องผูกพันกับตัวละครในเรื่องมากนะักหากพบว่าตัวเองผูกพันกับมายานในละคร แล้วเกิดพฤติกรรมทางลบในชีวิตจริงให้เร่งรู้ตัวยอมรับความจริงว่าคุณเป็นประเภทไวต่อการรับเชื้อโรคทางวิญญาณเข้าตัวจำเป็นต้องได้รับการรักษาซึ่งขั้นตอนแบบค่อยเป็นค่อยไปก็อาจเริ่มจากลดระดับความผูกพันเปลี่ยนจากดูละครยา ว, ยาวมาเป็นดูภาพยนตร์สั้นๆคุณจะพบว่ายังได้ดู แต่ก็สั้นจนไม่ผูกพันจบแล้วจบกันจากนั้นถ้าคิดว่ายัางมีเชื้อร้ายไม่หายขาดก็อาจเข้าสู่ช่วงปลีกวิเวกทางใจงดการเสพอารมณ์บันเทิงจำพวกหนังและละครสักพักหนึ่งเมื่อแน่ใจว่าหายดีแล้วค่อยกลับมาเสพใหม่ระวังตัวกันใหม่หรือรู้ตัวว่าต้องรักษาตัวกันใหม่